มีผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปสมัครงานในบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งแล้วก็ภายหลังก็ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในฝ่ายบุคคลทำงานได้พักใหญ่วันหนึ่งผู้จัดการนะซึ่งที่จริงก็ครอบครัวก็เป็นเจ้าของบริษัทด้วยมีส่วนเป็นเจ้าของด้วยก็มอบหมายเขาเนี่ย ไปซื้อรถยนต์ระบุมาเลยนะว่ารถยนต์รุ่นนั้นรุ่นนั้นซื้อหลายคันระบุยี่ห้อด้วยเขาอเองก็แปลกใจนะว่าทําไมให้เขาไปสั่งซื้อรถยนต์เนะมื่อเขาเป็นเจ้าที่ฝ่ายบุคคลนะแต่ว่าเมื่อเจ้าหนายสั่งนะก็ทําตามนะก็ไปที่โชว์รูมนะของรถยี่ห้อนั้น น, นนะแล้วก็ซื้อรถ ตามที่ได้รับมอบหมายในตอนที่กำลังคุยเจราจาหรือสุดๆจะทำเสร็จแล้วนะตกลงกันเรียบร้อยผู้จัด ก, การของโชว์รูมนั้นเนี่ยก็ยื่นเงินให้เขาทำนองเป็นค่าน้ำร้อนน้ำชาหรือค่าคอมมิชชั่นเวลาได้รับเงินทำนองนี้เนี่ย เราคิดว่าควรรับหรือไม่อาจจะเป็นเงินที่ว่าให้ด้วยความเสน่หาก็ได้นะหลายคนก็คิดแบบนี้แต่ว่าพนัก ง, งานคนนี้แกษษนะแก็ปฏิเสธนะแกบอกว่าผมไม่ควรรับเงินก้อนนี้นะแต่ถ้าจะเอาเงินก้อนนี้ไปเป็นส่วนรถเนี่ยก็จะดีกว่านะาก็รุ่งเงินเท่าไหร่นะแต่คงเป็นคงเป็นหมื่นนะนะ เอาไปเป็นค่าไปเป็นส่วนลดนะก็ทำให้บริษัทนะจ่ายเงินน้อยลงเป็นการประหยัดเงินของบริษัทอันนี้คิดในใจนะ้าไม่ได้พูดกับทางผู้จัดการโชว์รูมแต่ก็บอกว่าให้เอาเงินเนี่ยไปเป็นส่วนลดหนะลังจากนั้นนะเขากา็ได้รับเลื่อนนะได้รับเลื่อนตาแหน่งคือเรื่อยๆ เขาเป็นคนที่ข ย, ยั น, นมีความตั้งใจทำงานก็ <S <S ผ่านไปสองสมปีมันก็ปกรากฏว่าเขาก็ได้เป็นผู้ช่วยนะผู้จัดการแล้วเป็นคนใกล้ชิดเลยแล้ววันหนึ่งเขาก็นั่งทบทวนว่าเอ๊ะที่เขาได้ม า, อ, าอยู่ในตำแหน่งนี้ได้เนี่ยคงเป็นพราะผู้จัดการเนี่ยว้เนื้อเชื่อใจเขา แล้วก็เลยคิดตอไปว่าที่ผู้จัด ก, การเนี่ยให้เขาไปซื้อรถเนียนะะนะขณะที่เขาเป็นพนักงานฝ่ายบุคคลเนี่ยก็เพื่อจะได้ทดสอบว่าเขาเป็นคนซื่อสัตว์หรือเปล่านะแล้วสิ่งที่เขาทาเนี่ยก็แสดงว่าเขาเป็นคนซื่อสัตว์เขาก็เลยได้รับการไว้วางใจนะให้เลื่อนตาแหน่ง เรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเครื่องชี้ว่าความซื่อสัตย์เนี่ยนะมันก็ทำให้คนประสบความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าในการงานได้ต่อประเด็นที่น่าจะพูดเพิ่มเติมก็คือว่าความซื่อสัตย์เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะเวลาได้รับเงินทานองเนี่ยมีคนยื่นเงินให้นะเงินค่าน้ำร้อนน้ำชาเงินค่าคอมมิชชั่นเนี่ย หลายคนคิดว่ามันเป็นสิทธิที่เราจะรับได้เราหลายคนกนะ็รับได้แบบไม่รู้สึกขววยเขินนะแต่ที่จริงมันเป็นการแสดงความไม่ซื่อสัตย์นะเป็นการรับสินบนไกล่กลายเพราะว่าพอได้รับเงินก้อนนี้แล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยเวลาบริษัทจะซื้อรถ ก็จะนึกถึงรถยี่ห้อนี่แหละโชว์รูมแห่งนี้แหละคือมันทำให้การตัดสินใจเนี่ยมันคลาดเคลื่อนไม่ได้ตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรุมของบริษัทนะแต่ว่าเอาผลประโยชน์ตัวเองไปที่ตังอันนี้มันก็แสดงในความไม่ซื่อสัตย์นะก็คือว่าทำเพื่อตัวเองแล้วและที่จริงเนี่ยนะ ในการที่เราการที่พ น, นัก ง, งานคนนี้เนี่ยเขาไปไปซื้อนะรถยนต์เขาก็ไปในานามของตัวแทนบริษัทนะไม่ได้ไปในานามขตัวแทนตัวเองถ้าเกิดว่าไปซื้อรถของตัวเองแล้วก็ได้ซองแบบนี้เนี่ยมันก็มีสิทธิ์จะรับนะทำไมเพราะว่าเราไปในานามของตัวเองแต่ถ้าเราไปในานามของบริษัทเนี่ยแล้วได้ผลประโยชน์เนี่ยผลประโยชน์นั้นก็ควรจะคืนให้บริษัท นะเพราะว่าเป็นผลประโยชน์ที่ไม่ได้เกิดจากการที่เราเป็นนายกรนายขอนะแต่เกิดจากการที่เราเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทนี้เนพะฉะนั้นโดยโดยตรกกะแล้วเนี่ยนะหรือโดยจิตสํานึกเนี่ยเมื่อเราได้รับโอกาสแบบนี้ขึ้นมามีคนยื่นเงินให้เนี่ยนะก็ถือว่าเขาให้เราในฐานะที่เป็นตัวแทนบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเอาคืนให้บริษัทไป แต่หลายคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนะหรือว่าพนักงานบริษัทเนี่ยก็อาจจะถือว่าเนี่ยเป็นสิทธิ ท, ที่ฉันควรมีครได้นะอันนี้ไม่ถูกนะไอ้เงินที่ได้มาเพราะความเสน่หาเนี่ยเพราะไปซื้อของนะแล้วเจ้าของร้านให้เงินมาเนี่ย เขาไม่ได้ให้เงินเพื่อความเสน่หาโดยตรงนะเขาก็หวังว่าเราจะไปซื้อของเขาอีกแต่ว่าเป็นการซื้อของเพื่อมุ่งหวังประโยชน์ส่วนตัวคือหวังเงินใต้โต๊ะนะอันนี้ถือว่าไม่ซื้อสัตว์นะแต่นับวันเนียคนสมัยนี้จะถือว่าเอ้ยมันเป็นสิทธิฉันทำได้เพราะฉันไม่ได้ขโมยใครฉันไม่ได้คอร์รัปชันใครแต่วิธีนี้ก็จะเป็นคอร์รัปชันไกลๆนะ ซึ่งคนที่ฝ่ายศีลายธรรมเนี่ยไม่ควรทำํำสมัยนี้เนี่ยเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยมันบางทีมันก็ดูยากนะแต่ที่จริงถ้าคิดสักหน่อยเนี่ยมันก็ดูไม่ยากหรอกบางอย่างเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่การลักขโมยนะแต่จริงๆแล้วมันก็เข้าข่ายลักขโมยนะมีพนักงานหลายคนนะ ก็พบว่าไอ้ของเข้าของเครื่องใช้ของเขาเช่นเครื่องเขียนเนี่ยบนโต๊ะเนี่ยมักจะมีคนวิาส า, าสกิจปลอดภยเช่นคัตเตอร์ปากกายางลบที่เย็บกระดาษบางทีไม่ได้ยืมนะหายไปเลยนะโดยเพราะของที่ราคาไม่แพงเช่นพวกปากกาดินสอยางลบเนี่ยแล้วเขาแก้ยังไง ร, รู้ไหมวิธีแก้เขาก็คือ เขาก็เอากระดาษติดตามข้าของเครื่องใช้เราเนี่ยเครื่องเขียนแล้วก็บอกราคาด้วยห้าบาทสิบบาทนะสองบาทบอกว่าไม่มีใครแตกเลยนะไม่มีใครแตะเลยอันนี้ก็คเกิดคาถามคือว่าทาไมเนี่ยพอติดราคาแล้วไม่มีใครแตกเพราะถ้าติดราคาอย่างนั้นเนี่ยคนที่เอาไปเนี่ยจะคิดว่าตัวเองเนี่ยกลังขโมยเงินไม่ได้หยิบของเอ้าไปนะ คนเวลาหยิบของเนี่ยไม่ไสึวตัวเองขโมยนะแต่ถ้าเอาเงินไปเนี่ยมันมันชัดเจนเราเคยแปลกใจไหมเวล า, าสมมุติว่าเราอยู่หอพักเนี่ยนะบางทีเราก็ซื้อน้ำอัาลมบ้างซื้อนมกล่องบ้างน้ำผลมไม้บ้างใส่ไว้ในตู้เย็ยนที่เป็นของส่วนรวมหรือใส่ไว้ในตู้ที่เป็นของส่วนรวมเนี่ยมันมักจะหายมีคนหยิบไป ไอ้คนที่หยิไปก็คนในหอนั่นแหละหรือว่าคนในบริษัทนั่นแหละนะถ้าเป็นกรณีที่เป็นพนัก ง, งานบริษัทแต่ถ้าเกิดเอาเงินไปวางไว้ในนั้นนะเอาเงินไปวางไว้ในตู้เย็นเนี่ยสิบบาทร้อยบาทหรือว่าในตู้เนี่ยมักจะไม่หายนะอันที่หมายถึงกรณีที่เป็นหอพักของคนที่พอมอีมีคุณธรรมหน่อยนะ จะไม่หายถ้าเอาเงินไปวางไว้ไม่หายแต่ถ้าเอาของไปวางหายเพราะอะไรนะเพราะคนคิดว่าการเอาเงินไปเนี่ยมันเป็นการลักขโมยแต่ถ้าเอาของไปเนี่ยไม่ใช่ลักขโมยนะมันแค่วิสาสะนะแต่ที่จริงเนี่ยมันคือการลักขโมยแบบหนึ่งนะอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนก็ว่าได้ เพราะว่าคนมักไปคิดว่าขโมยเนี่ยมันก็คือเอาเงินไปนะเอาของไปเนี่ยไม่เป็นไรอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในหอพักในบริษัทบางทีเกิดขึ้นในวัดนะของในวัดเนี่ยบางทีก็หายนะบางทีเงินวางไม่หายนะแต่ของหายอันนี้พระเอาไปบ้างนะชาวบ้านเอาไปบ้างพวกคุบ้างนะพวกบางทีจอบเสียมเนี่ยนะอะมีก็ หลวงพ่อเขียนนั้นทําจอบเสียมอย่างดีนะใช้ได้ไม่นานนะหายนะอันนี้มันก็คงเป็นเพราะว่าคนคิดว่าหยิบไปมันไม่เสียหายหรอกเมื่อก็ น, ะกนังสือบนห้องสมุดเนี่ยหนังสือบนห้องสมุดข้างบนเนี่ยวางไว้สักพักเดี๋ยวก็หายบางทีประสแต็มตาวัดด้วยนะวัดป่าสุโกโตก็ยังหายเลยขนาดในวัดนะ ดังที่คนที่มาในวัดก็ถือศีลห้าอันนี้เกิดขึ้นได้ไงอันนี้เป็นเพราะคนเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าเขาขโมยนะเขาแค่หยิบยืมไปหยิบยืมไปชั่วคราวแต่พอยืมไปสักพักก็ขี้เกียจมาคืนแล้วะมานทีกิเลสมันก็มาในรูปที่ค่อยๆค่อยๆนะ ค, ค, คืบคลานเข้ามาหยิบของในวัดไปก็คิดว่ามายืมยืมไปใช้ชั่วคราว แต่จริงมันปนอุบายกิเลสมันอ้างเหตุว่าแค่ยืมนะแต่จริงๆมันอยากได้เลยพอพอไปถึงละถึงบ้านละมันก็ไม่คืนละนะอันนี้รวมถึงยืมกันด้วยนะเวลายืมเงินเนี่ยก็จะบอกติดดีเจ้าของเงินว่าเนี่ยฉันจะคืนเงินให้บางทีแถมดอกเบี้ยด้วยจะคืนให้ภายในเวลาสองเดือนสมเดือนแถมดอกเบี้ยให้แต่พอถึงเวลานะครบเดือนก็ไม่จ่ายครบสามเดือนก็ไม่จ่าย ผ่านไปปีนึงสองปีก็ไม่จ่ายนะคนไปคิดว่าการที่เบี้ยวไม่คืนเงินเนี่ยไม่ใช่การลักขโมยนะนะไม่ใช่อธินาทานแต่จริงมันใช่นะการหยิบของไปนะให้เราตระหนักว่าเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการหยิบเงินไปผู้ชายคนที่เขาที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยเขาก็รู้นะจิตวิจาคนนะว่าเนี่ย ถ้าหยิบของไปเนี่ยไม่รู้สึกว่าเป็นขโมยแต่ถ้าหยิบเงินไปเนี่ยคือขโมยเขาก็เลยเอากระดาษติดราคาเนี่ยไปวางอะผนึกไว้กับสินกับเครื่องใช้ต่างๆเพราะพอคนรู้ว่าเนี่ยถ้าหยิบไปเนี่ยนะมันคือเอาเงินไปละนะมันไม่ใช่หยิบของไปที่จริงนี่ก็รวมไปถึงเรื่องการเจอของที่เก็บได้ด้วยน ะ, ะการเก็บของที่เจอได้หลายคนเนี่ยเห็นเงินตก เห็นเงินตกอยู่บนถน น, นเก็บเลยนะถือว่าเป็นสิทธิ์พึงมีพึงได้นะเก็บใสก่กระเป๋าอันนี้ก็ก็เข้าข่ายอธินาทานนะเพราะว่าถ้าเราเพราะไม่ใช่เงินของเรานะอธินาทานนาเวรมณีีพระเจตนาถือเอาของที่ไม่ได้ให้ที่เจ้าของไม่ได้ให้อของที่ตกเนี่ยเจ้าของก็ไม่ได้ให้นะของที่ตกอยู่เนี่ย เจ้าของยังเป็นคนเดิมนะถ้าหยิบไปใส่กระเป๋าตัวนี้ก็ถือว่าอธินาทานแบบหนึง่งแต่ถ้าหยิบไปแล้วไปหาเจ้าของเนี่ยหรือหาแล้วไม่เจอก็เอาไปให้ ส, ส, า, สาธารณะบาเพ็ญประโยชน์นี่ก็อีกเรื่องหนึง่งเรื่องการลักขโมยเนี่ยมันมันหรือความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยสมัยนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องต้องต้องพิจารณานะอย่าไปทำเอาง่ายๆนะเขาให้คันน้าร้อนนัชามา เราก็หยิบใส่กระเป๋าเลยเนี่ยทั้งที่เราไม่มีสิทธิ์เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลักขโมยหรือคอร์รัปชันอย่างหนึ่งก็ผิดศีลเหมือนกันน ะ, ะแล้วก็เตรียมรับผ่อน